บัรนี้จกแสดงธรรมะเพื่อ <S ess im it> เป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปและกล่าวมาถึงเรื่องของโลกตามที่ทรงจาแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆหลายระยะด้วยกันซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องเสื่อมสลายไป เป็นธรรมดาสิ่งนั้นทรงสรุปรวมด้วยคำว่าโลกคำสอนในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องโลกนั้นเป็นเรื่องของทุกขสัต์คือกลุ่มของธรรมะที่ทรงสอนให้กำหนดรู้ถึงความจริงและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ในฐานะที่แตกต่างกันออกไปโลกที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น โลกหนึ่งก็หมายถึงโลกโลกกับภพอันเป็นที่อาศัยอยู่ของคนของสัตว์ทั้งหลายโลกสองที่ทรงใช้คำว่าภาวะโลกสมบัติและภาวะโลกวิบัติโลกสามหมายถึงเวทนาสามคือสุขทุกข์และไม่ทุกข์ไม่สุขโลกสี่หมายถึงอาหารทั้งสี่ได้แก่อาหารที่บุคคลพึงกลืน พ, พึงลิ้มพึงชิมเข้าไปทางปาก อาหารคือความรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งหกอาหารคือการกระทบทางประสาทสัมผัสทั้ง6กและอาหารคือเจดจำนวของบุคคลที่เกิดขึ้นในกรณีนั้นๆแล้วมาถึงโลกหก็ได้แก่อุปท า, านอาคารหคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและทรงแสดงโดยนิยาต่างๆไปเรื่อยๆ เฉพาะในวันนี้จะกล่าวถึงโลกที่หกซึ่งโลกแต่ละอย่างแต่อย่างนั้นถึงสังเกตว่าแม้จะจำแนกโดยส่วนรวมหรือส่วนย่อยออกไปเป็นนั้นมากก็ตามแต่แท้จริงแล้วคือสิ่งที่เราเรียกว่านามรูปได้แก่สิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายจึงเรียกว่ารูป ในสิ่งที่บุคคลรู้ได้โดยใจซึ่งเรียกว่านามนั่นเองในทางหลักปฏิบัติชั้นสูงสุดท่านถือว่าเป็นทุกษ์ัตย์และเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานจะสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นในแง่ที่เป็นไปาตามกฎของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นนัตตาโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การพยายามถ่ายถอนความยึดติดในโลกต่างๆไม่ว่าจะยึดติดด้วยอํานาจของตันหาว่าของเราหรืออานาจปานะว่าเป็นเราหรือด้วยอํานาจทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็ตามไม่ลงไปแต่ว่าการสอนระดับพิปัสสนานั้นคนก็สัมผัสได้ในระดับหนึ่ง แต่คนก็เป็นจนํานวนน้อยเท่านั้นที่จะสัมผัสได้ระดับอภิปักษณะธรรมะในพระพุทธศาสนาต้องการให้เกิดประโยชน์แก่คนเป็นนั้นมากเพื่อเป็นการนุเคราะห์โลกตามคุณสมบัติของพระพุทธเจา้าหรือของพระพุทธศาสนาดังนั้นเวลาสั่งสอนจึงสั่งสอนให้บุคคลสามารถหาประโยชน์ได้ทุกขั้นตอนของโลกแต่ละโลก อย่างในกรณีของอายตนะอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสอนในชั้นพื้นฐานเบื้องตน้นให้บุคคลสนักว่าพวกอินทรีย์ทั้ง6หรืออายตนะ6เป็นอวัยวะที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลจึงมีคําสอนระดับที่เรียกว่ากายจะบริหารคือการบริหารร่างกาย ให้บุคคลระมัดระวังรักษาอายตนะเหล่านี้โดวยวิธีการต่างๆไม่ให้เกิดภัยอันตรายไม่ให้เกิดโรคขึ้นมาเสียดแทงแม้เวลาเกิดภัยอันตรายเกิดโรคขึ้นมาเสียดแทงก็มีการบำบัด ร, รักษาด้วยวิธีการต่างๆในพระบินัยปิฎกนั้นได้แสดงรูปของก็เรียกว่าเพ็นสัจฉคันทกะคือหมวดที่ว่าด้วยยารักษาโรค ก็เน้นไปที่ยารักษาโรคพวกอยายตนะภายในเหล่านี้เป็นต้นไปท น, นี้ถ้าหากว่ามองธรรมะในรูปสับสนกับคำสอนชั้นหนึ่งไปตีกับคำสอนอีกชั้นหนึ่งก็จะเกิดเป็นปัญหาก็คล้ายๆกับคำสอนที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนกับรูปเป็นอนัตตา เรจะเห็นว่าคําสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นเป็นคําสอนระดับสมมติสัจจะเรียกว่าระดับศีลธรรมจัน ญ, ญาที่บุคคลจะต้องเข้าใจความจริงส่วนนี้โดยพยายามที่จะพึ่งตนเองช่วยตนเองให้มากไม่ไปหวังพึ่งไม่ไปหวังพึ่งบุคคลอื่นแต่คําสอนที่ว่ารู ป, ปังพิกเวนะตารูปเป็นอนัตตานั้นเป็นคําสอนระดับวิปัสสนากรรมฐานจะเป็นการสอนคนละชั้นกัน พอมาถึงเรื่องอายตนะภายในภายนอกก็เป็นเช่นเดียวกันใชั้นทั่วไปคือชั้นโลกหรือชั้นจินธรรมจัญญาเป็นขั้นตอนของการดำรงชีวิตเพื่อเกิดความสวัสดีแก่ชีวิตก็ทรส่งสอนในรูปของการระมัดระวังรักษาพวกอายตนะหรือพวกสุขภาพทางกายทางใจของบุคคลไว้ให้ดีและจะมีการบาบัดรักษา แม้แต่ว่าพระเองก็สามารถที่จะบำบัดรักษาซึ่งการแลกกันได้แม้จะห้ามในชั้นการเป็นหมอรักษาโรคสมักคนทั่วไปแต่ก็อนุญาตให้มีการรักษาเพื่อนสาธมิกด้วยกันแล้วก็มีบรรดาปิดาเป็นต้นซึ่งแสดงว่าได้ให้ความสําคัญแก่การปฏิบัติในชั้นนี้ไว้เป็นอย่างสูงท่นนี้ก็เคยมีปัญหาเหมือนกัน พระยามิรินได้เคยเรียนถามพระนาคเษนว่าพระหันทั้งหลายนั้นด้ว่าไม่มีความยินดีในกายตนก็ถือว่าไม่ใช่กายของเราเป็นต้นแต่ทําไมพระอระหันยังต้องดูแลเอาใจใส่ร่างกายยังต้องบารุงร่า ง, งกายยังต้องบาบัดะจัดโรคที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายพระนาคเสนท่านตอบเป็นอุปมาว่า มาวพิษเคยมีบาดแผลในราชการสงครามเป็นต้นหรือไม่พัญามิรินก็ตอบว่าเขเคยมีเคยมีบาดแผลอยู่หลายครั้งหลายคนด้วยกันแล้วถามว่าพระองค์ต้องรักษาบาดแผลเหล่านั้นด้วยความทนุถนอมวเจนใสหรือไม่พัญามลินก็ตอบว่าต้องรักษาด้วยความทนุถนอมวเจนใสแล้วก็ท่านก็ถามว่ามาวพิศรักแผลนั้นหรือเปล่าท่านก็ตอบว่าไม่ได้รัก แต่จําเป็นจะต้องรักษาเพื่อบำบัตดให้หายไปย้ายร่างกายพีกาลังได้แรงปฏิบัติราชภาระต่างๆได้พระนาคเสียงก็บอกว่าเป็นเช่นเดียวกันพระหารนั้นถ้าไม่ได้รักรูปร่างกายแต่ประการใดแต่ว่าต้องดูแลใจใสสนุนถนอมร่างกายเอาไว้เพื่อใช้ร่างกายเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์เป็นํานองคล้ายๆกับหยอดน้ํามันให้เครื่องเรื อ, เ, อเครื่องเรือเครื่องรถเป็นต้นมันเดินได้เท่านั้นเองนี่ก็ถือว่าเป็นคําสอนในระดับ บริหารร่างกายดูแล้วก็เป็นรูปของความรักความทนุถนอ ม, มใจใสหวงใจเอื้ออาทรต่อต่อโลกคืออเจตนาทั้ง6ประการนั่นแต่เป็นเรื่องการบำรุงรักษาไว้เพื่ออาศัยใช้งานเพราะสิ่งเหล่านี้ในที่สุดแกก็ต้องจากไปอย่างที่พูดกันว่าเป็นของที่ยืมมาบางครั้งแกก็เสื่อมไปโดยลำดับทั้งๆที่ชีวิตร่างกายเรายังอยู่แต่แกก็เสื่อมไป เย็นวาตาเสือเส่อมไปหูเสื่อมไปหรือประสาทส่วนอื่นๆเสื่อมไปเป็นต้นถึงก็พบเห็นกันจุเพราะฉะนั้นในช่วงที่ยังบำรุงรักษาไว้ได้ต้องดูแลใจใสเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์พอมาถึงชั้นที่สองเป็นชั้นของศีลที่ประนีตขึ้นไปเนื่องจากประสาทสัมผัสหรืออายตนะภายในของเรานั้น เป็นสื่อหรือเป็นประตูบางครั้งท่านใช้คำว่าถารก็คือประตูหรือหน้าต่างเป็นทางเข้าของอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์นั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีหรือเป็นกลางๆ ก, งก็าตามก็เข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเราดังนั้นพระเจ้า ก, ก็ทรงสอนในรูปของการปฏิบัติที่จะให้เป็นการเกื้อกูลต่อการดํารงชีวิตของบุคคลแต่ละคน จะเริ่มมาจากสถานที่และบุคคลพยายามอยู่ในสถานที่ที่เกื้อกูลต่อความสงบเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติความดีที่ท่าน เ, เรียกว่าเสนาสนะสปายะบ้างปฏิรูปประเทศบ้างเพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีของบุคคลเราต้องพบเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่จําเจสิ่งเหล่านั้นก็จะซึมซับเข้าสู่จิตใจทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ก็สงสอนให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะควรคือให้ได้เสนาสนะสปายะหรือปฏิรูประเทศคือประเทศที่เหมาะชื่อควรประเทศที่เหมาะที่ควรนั้นแสดงไว้อย่างสูงว่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นบัณฑิตจังหลายปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นมีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมในสถานที่นั้นเป็นต้น เพาบุคคลจะได้สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกับบุคคลที่เกื้อกูลของตนที่เรียกว่าบุคลาสัปพายะคือคนที่เกื้อกูลแต่เอาก็จริงแล้วคนไม่สามารถจะเลือกสถานที่เช่นนั้นได้ปัญหาต่างๆก็คงจะเกิดขึ้นอยู่นั่นเองดังนั้นมาเมื่อมาถึงจุดที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ก็ทรงสอนอีกแนวหนึ่ง คือให้บุคคลมีหลักที่เราเรียกว่าอินทรีย์สังวรคําสอนในแนวอินทรียสังวรนั้นที่จริงเป็นศีลแต่เป็นประณีตศีลถ้านับในองค์มรรคก็คื อ, อสัมมาวายามะข้อแรกคือสัมมาวายมะนั้นก็มีอยู่สี่ระดับอินทรีย์สังวรก็อยู่ในข้อแรกซึ่งท่านสาธารชนทั้งหลายจะเห็นว่าวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบนั้นคือเป็นศีล แต่ความพยายามชอบที่จริงเป็นสมาธิชั้นองค์มากแต่ก็เป็นศีลในชั้นที่ประณีตหมายความเป็นหัวต่อของการประพฤติปฏิบัติระหว่างศีลกับสมาธิโดยทรงสอนในรูปของให้มีอินเสียสังวรในกรณีที่พวกอารมณ์ทั้งหลายจะก่อให้เกิดอกุศลขึ้นมาภายในใจ ทำไมจึงพูดว่าในกรณีที่อารมณ์เหล่านั้นจะก่อให้เกิดอกุศลขึ้นภายในใจเพราะว่าอารมณ์เป็นนั้นมากที่ก่อให้เกิดกุศลก็ไม่ได้สอนในแนวของอินเสียสังวรคื อ, อสอนให้ใส่ใจให้ใครดูใครฟังใครเกี่ยวข้องใครผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเรื่องเหล่านี้นจึงต้องอศาศัยการวินิจฉัยอารมณ์ของบุคคลเป็นประการสําคัญเพราะว่าอารมณ์เหล่านั้น โดยทั่วไปแล้วแก่ก็ไม่ได้มีปัญหาในตัวแกแต่ว่าจิตใจของบุคคลผู้กําหนดอารมณ์นั้นเป็นตัวสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแกจิตใจเป็นประการสําคัญดังนั้นในช่วงหยาบๆคือพื้นฐานเบื้องต้นบุคคลไม่สามารถวินิจฉัยอารมณ์บางอารมณ์ได้ก็มีการที่แนะจากบุคคลทั้งหลายจึงมีคําสอนในรูปของการไม่ให้คบคนผ่านแต่ให้ควบบัณฑิต เคยจับทิศทางในการดําเนินชีวิตให้ได้ประการวินิจฉัยตัดสินสิ่งต่างๆนั้นบางทีเราต้องอิงอาศัยคนอื่นเขาช่วยชี้แนะช่อบรมสั่งสอนแม้แต่ผู้บวชในพระพุทธศาสนาเองก็ทรงวางเป็นหลักเอาไว้ว่าช่วงระยะพรนศาหนึ่งถึงพรรษาหจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เพื่อได้รับการชี้แนะอบรมสั่งสอนจากท่านหรือแม้แต่จะไปที่ไหนก็มีผู้ใหญ่ไปด้วยไม่ได้ไปแต่ลําพังตัวเอง ไปช่วยเหลือในการวินิจฉัยตัดสินอารมณ์นั่นเองยันติเคยเล่าออฟังถึงเรื่องระวังคีะระเทระเมื่อตอนบวชใหม่ๆไปบินทบาทไปพบรูปที่สวยงามเกิดจิตใจกำนัดฟุ้งสัน้นไม่มีความสงบก็ต้องไปกราบเรียนพระอ น, นุให้ทาราบพระอ น, นุ์ท่านก็แก้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดท่านก็แนะวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจให้ความรู้สึกเหล่านั้นก็สงบระงับลงไป ระการในช่วงต่อไปก็คือเรื่องที่เราเจอดยตัวของเราเองก็ต้องมีการสำรวมระวังในกรณีที่ถ้าใส่ใจเรื่องอะไรไปแล้วกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดแกจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นข้อนี้อย่างที่ทรงแสดงในรูปของความไม่ประมาทในที่สี่สถานคือให้มีการวินิจฉัยอารมณ์ มองเห็นในสามแนวด้ใน4ีแนวด้วยกันคืออารมณ์อะไรเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดความกําหนัดก็คือเพิ่มกิเลสสายโลภหรือราคะขึ้นมาภายในใจสิ่งที่ยังไม่มีก็อยากมีที่มีแล้วก็อยากเพิ่มที่เพิ่มแล้วก็อยากเพิ่มต่อไปแต่สิ่งนั้นเสื่อมสลายไปแตกทําลายไปก็จะเกิดความทร้าโกเสียใจจะเห็นว่าเราก็หมุนวนอยู่ในสมุทัยศาตร์กับทุกข์ศาตร์ ในกรณีนี้ก็ให้ระวังใจอย่าให้เกิดกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหมายความว่าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีการกำหนดหมายกันออกจะทั่วไปพอสมควรว่าน่าใคราน่าปรารถนาน่าพอใจเจนไปเจอรูปสวยๆคนส่วนใหญ่ก็กำหนดว่าน่าคลายน่าปรารถนาน่าพอใจ และจิตใจของบุคคลก็จะโน้มเอียงไปในทางนั้นเพราะงั้นก็ระวังใจอย่าไปตึกนึกต่ออย่าไปเพิ่มความกำหนัดในเรื่องเหล่านั้นเข้ากิเลสมันก็ไม่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้แต่กิเลสไม่ได้มาสายเดียวอาจจะมาสายอื่นก็ได้ก็ใกล้ใกลกับบุคคลปิดประตูบ้านปิดด้านหนึ่งแล้วแต่จะเปิดอีกด้านหนึ่งโจรมันก็เข้าได้เหมือนกันดังนั้นท่านก็สอนว่าระวังใจอย่ายให้ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง ซึ่งข้อนี้จะเห็นว่าเรามีการสอนไว้ในชั้นต่างๆท า, างการข่มใจทางการขัดอดทนทางการให้อภัยท้งการแผ่เมตตาเป็นต้นเนี่ยโดยสรุปรวมแล้วก็คือระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในลมเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเกิดจากการยั่วยุการกระทําของบุคคลอื่นบ้างเกิดขึ้นจากการกําหนดของเราขึ้นมาภายในบ้างข้อนี้เพื่นสังเกตว่าบางอย่างนั้นเราจดเนื้อเก่าเอง คือใจไปแสบไปรับรู้เรื่องเหล่านั้นไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นเช่นว่าบ้านอยู่ริมถนนรถวิ่งวิ่งไปโดยปกติของเขาธรรมดาของเขาปราะกอมันถนนรถก็ต้องวิ่งเหมือนถนนเป็ น, น, นธรรมดาแต่บางคืนนั้นใจของบุคคลสายไปรับรู้เรื่องเหล่านั้นไปเดือดร้อนกับเสียงรถจะตื่นนึกถึงเรื่องเสียงรถจนนอนไม่หลับบางทีสุนัขเขาฮอนกันตามปกติธรรมดาของแก ก็เป็นเรื่องของแกทําไม่เหา่าไม่ถอนมันก็ไม่ใช่สุนักแต่พอแกเ ห, ห่าแกหอนข้าวเราก็เดือด ร, ร้อนก็เสีย ง, งห่าเสียงถอนของสุนัขยดนอนไม่หลับกับรุ่มเป็นต้นนี่แสดงว่าเราจึกนึกเอาเองอันนั้นไม่ได้เป็นปัใจจัยให้มันเกิดความหงุดหงิดแต่ประการใดแต่บางอย่างนั้นมีลักษณะอารมณ์มันยั่วยุคือคนอื่นก็ทําให้เราโกรธมีการยั่วยุยั่วยาด้วยประการต่างๆจิตใจมันสงบสงบอยู่ดีๆพอถูกยั่วยุก็บ่อยๆมันก็ฟูขึ้น จะทั้งสองอย่างคือจะมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกหรือว่าฝึกนึกมาจากข้างในก็าตามมีผลเป็นความเดือดร้อนในจิตใจของบุคคลทั้งนั้นดนั้นก็ส่งสอนให้ระมัดระวังใจอย่าใขัดเครืองแม้จะมีอารมณ์อันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความขัดเครืองจากภายในหรือภายนอกก็ตามแสดงว่าถ้าระวังส่วนนี้ได้กิเลสสายโทสะก็จะไม่เพิ่มขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ข้อที่สามก็ระวังใจอย่าให้ลุ่มหลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงความรุ่มหลงนั้นก็คือพวกของโมฆะ อ, ออกมาในรูปของฟุ้งซ่านบ้างในรูปของความเครียดแปรสงสัยไม่แน่ใจในสิ่งต่างๆบ้า ง, างเพราะอารมณ์อะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความรุ่มหลงก็ระมัดระวังใจไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นเข้าครอบงำ เรืออารมณ์ใดังเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมัวเมาเลื่อนเล่อ เ, เพลินไปเนี่ยอารมณ์ต่างๆก็ทรงสอนให้ระมัดระวังใจเอาไว้ก็สรุปว่าทางเกิดของกิเลสมืนแก่แกก็มาจากสามสี่แนวอย่างนี้แต่ก็ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของบุคคลแล้วเก็บไว้ภายในใจซึ่งจะเห็นได้ว่าใจนั้นไม่ใช่เป็นตัวรับโดยตรงแต่ว่าใจเป็นตัวรับต่อมาจากตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะเวลาพูดส่วนใหญ่จะแสดงเฉพาะตาหูจมูกลินกายเกิจะไม่พูดถึงใจบางครั้งก็หกกับใจเกิไปเพิ่มใจขึ้นเพราะใจเป็นใกล้ๆกับพื้นที่ต่ำรับน้ำที่ไหลมาจากที่สูงใจเป็นที่รับอารมณ์เก็บอารมณ์สะสมอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางตาหูจมูกตินกาย พราะะน้นถ้าหาว่าเกิดที่ใจโดยตรงแล้วก็จะเป็นของเก่าเสมอไปถึงสังเกตว่าไม่ได้เกิดเหนี่ยนึกถึงเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดกำนัดก็ดีกัดเคืองก็ดีรุ่มหลวงก็ดีโมเมาก็ดีนั้นจะเอาของเก่าเป็นโครงสร้างในความคิดแม้จะค่อยคว้าสิ่งต่างๆในอนาคตก็ตามเช่นสมมติว่าบุคคลอยากได้ของสวยงามอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตข้างหน้าอาจจะปีหน้าหรือหลายปีไปข้างหน้า แต่แท้จริงสิ่งเหล่านั้นรูปร่างเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ในอนาคตเนี่ยแต่โครงสร้างของความคิดที่จะปรุงก็ปรุงมาจากรูปต่างๆที่ตนพอใจในอดีตอาจจะเอาจุดเด่นต่างๆของสิ่งต่างๆเข้ามาผสมประสานกันในสิ่งนั้นก็กลายเป็นรูปแบบที่ตัวต้องการในอนาคตจึงก็หมายความว่าไปเอาของเก่ามาปรุงสร้างขึ้นนั่นเองในชั้นต่อไปนั้นถ้าหากว่าออกมาในรูป ของทางที่เป็นกุศลซึ่งก็ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเองแกเป็นกลางๆแกไม่ดีไม่ชั่วอะไรแกเป็นอัปยากะตะธรรมซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยประกอบด้วยดินน้ำหลวงไฟอากาศคือประกอบด้วยธาตุทั้ง5ประการแกก็กลางๆแ ก, กอย่างนั้นเองเราอาจจะพูดว่าสวยไม่สวยแต่เราก็ไม่พูดว่าดีหรือไม่ดีเพราะจริงๆแล้วสภาวะของแก่เป็นกลางคือเป็นอัปยากตธรรม ถ้กล่าวในกลุ่มของอนุศิศาสตร์ก็คืออยู่ในกลุ่มของทุกข์สัตว์เกิดขึ้นตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยของแก่เพรา ะ, ะนั่นแกก็มีฐานะเป็นประตูคือเป็นทางผ่านของความดีกับความชั่วในส่วนของความชั่วก็ส่งสอนให้สํารวจระวังเอาไว้แต่ว่าอารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดคลายขัดเคืองคลายลุ่มหลงคลายมัวเมาก็ส่งสอนให้มนสิการให้ใส่ใจให้ทําไว้ ใบบานแยกคายแหน่อารมณ์เหล่านั้นให้พร่ำบนสาธยายหมันเพ่งพินิจพิจารณากระทาบ่อยๆกระทำเนืองเนืองกระทาอยู่เป็นนิดกระทาให้เป็นญาณเป็นเครื่องอาศัยก็สรุปว่าอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดธรรมะก็มาจากสิ่งนี้แหละอารมณ์ที่ก่อให้เกิดมาจะให้เกิดกิเลสก็มาจากทางห้าสายนี้แหละข้อสําคัญก็อยู่ที่การกําหนดอารมณ์แต่ทีนี้การกําหนดอารมณ์เพื่อสังเกตว่าจะมีอยู่ 3ระดับด้วยกันระดับแรกคือแกเป็นของแกตามสภาพนั้นแลวความันดีไม่ดีตามสภาพหรือกลางๆตามสภาพของแกพวกนี้ที่จริงพินิษฐ์ใง่ายเพราะว่าโดยพื้นฐานทั่วๆไปก็เข้าใจกันเึ่นยาพิษเป็นสิ่งที่ควรงดเว้นยาบำบัดโรคเราเป็นโรคในชนิดนั้นอยู่ก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การนำมารับประทานเพื่อขจัดโรคเป็นต้น อารมณ์บางอย่างนั้นเป็นเรื่องดีหรือว่ากลางๆแต่เราก็ใช้ไปในแง่ที่ให้เกิดความสงบคุณสัเกตว่าอารมณ์ของส่วนสมถกรรมฐานนั้นไม่ได้เน้นที่การใช้ปัญญาไว้สูงเน้นที่การใช้สติปัญญาเป็นตัวกากับสนับสนุนเท่านั้นเพราะงั้นอารมณ์ที่ใช้ระลึกสำหรับกรรมสมถกรรมฐานจึงเป็นกลางๆกับเป็นกุศล ไม่เอาอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาฟินิพิจรารณาเพราะมีความเสี่ยงคล้ายๆกับเอาน้ำมันไปวางไว้ใกล้ไฟหรือแทนที่จะได้ประโยชน์ก็อาจจะเกิดโทษขึ้นมาได้ก็ทำใจถอยห่างจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลเอาไว้พอมาถึงชั้นที่สามนั้นเป็นการมองในแนวการใช้ปัญญาเป็นหลักพอมาถึงปัญญานั้นอารมณ์ไม่สำคัญอะไร แกจะเป็นกลางกลางก็ได้แก่อาจจะเป็นกุศลก็ได้อาจจะเป็นอกุศลก็ได้แต่คนที่มีปัญญาจะหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องจากที่เป็นกลางๆเช่นพระพุทธเจ้าทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายที่เป็นกลางๆ ก, ก็ทรงใช้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นหรือทรงใช้ประโยชน์จากเสียงพินซึ่งมีลักษณะกระตุ้นกิเลสก่อให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินเดี๋ยวพระเจ้าทรงใช้ ไปในแนวคิดถึงการบำเพ็ญเพียรพยายามจงเรียบเบียนกระสายพินสามสายอย่างที่ทราบกันบางอย่างก็เป็นเรื่องของความดีต่างๆซึ่งแน่นอนเหลือเกินความความดีนั้นก็ใช้ง่ายอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ประการสําคัญที่สุดก็คือว่าท่านใช้แม้แต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์และสิ่งที่เกิดประโยชน์อยู่แล้วนั่นเองให้เพิ่มพูนประโยชน์มากยิ่งขึ้นนั่นคือการมองในแนวของการใช้ปัญญาสูง ที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาคือมองอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นให้ได้ประการต่อไปนั้นคือเรื่องเอาอายตระภายในภายนอกขึ้นมาเนี่ยพิจารณาโดยการมองในแนวของวิปัสสนาปัญญาดันเดิงเราจะเห็นว่าพวกเหล่านี้ท่านเรียกอยู่ในกลุ่มของ ของทุกข์สัตว์ดังที่กล่าวมาแล้วแต่ก็อยู่ในกลุ่มของอุปาทายนรูปคือท่านแสดงว่าร่างกายเรานั้นประกอบด้วยรูป28คือเป็นหมาปูท ร, รูปสี่กดินน้ำลงไฟแล้วก็เป็นอุปาทานรูปคือรูปย่อยรูปย่อยรูปเล็กๆมีอยู่24ประการพวกนี้ก็เรียกว่าปัสสาวทรูปแต่แกรรูปคือปัสสาวะ คำว่าประสาทนั้นคือตัวเส้นประสาทที่รับรู้รูปทึ่มีอยู่ในตาก็ไม่ใช่ตาทั้งหมดหรือประสาทที่รับรู้เสียงก็เฉพาะตัวประสาทมันคือเส้นประสาทที่รับรู้เสียงพวกคานประสาทก็เอาประสาทเฉพาะที่รับรู้กลิ่นึังจะเห็นว่าไม่ใช่เอาตัวจมูกแต่เอาตัวประสาทขึ้นมาพิจารณาเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นพวกรูปเป็นประสาทรูปเมื่อเป็นรูปก็คือสิ่งที่ จะต้องเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่ดยเหตุปัจจัยแกก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่าวันี้ถึงคราวแก่แก็เปลี่ยนแกก็เปลี่ยนของแก่ไปเรื่อยๆมีลักษณะคล้ายๆของยืมก็กมาทวงอยู่เรื่อยๆเราก็พูดเป็นไทยๆง่ายๆเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายว่พอมาทวงที่จริงแกเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนแปลงไปเร็วบ้างช้า บ, บ้างซึ่งให้ลองสังเกตว่าจังตาก็เสื่อมไปเร็วบ้างไม่เร็วบ้างบางคนอายุตั้งมากแล้วยังไม่ต้องใส่แว่นตาก็สามารถดูรูปได้ก็แสดงว่าเสื่อมน้อยแต่ไม่ใช่หมายความไม่เสื่อมแต่ก็ต้องเสื่อมของแก่เป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าเป็นการเสื่อมในรูปของกระบวนการคือมันไหลาตามกันมาส่วนหนึ่งดับไปส่วนใหม่ก็เกิดขึ้นแทนที่ท่านเรียกว่าสันตติคือเกาะกลุ่มกันอยู่ก็ไหลสืบเนื่องกันไป แต่ว่าไม่ได้คงอยู่ในสภาพเดิมคือกําลังการสืบต่อ น, นั้นในช่วงแรกอาจจะมีกําลังแก่กล้าเช่นสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นประสาทต่างๆก็มีความจับไวสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ในเวลารวดเร็วแต่พอแกเปลี่ยนไปแล้วอะไรๆก็ช้าไปการวินิจฉัยรูปดูรูปตัดสินรูปก็ช้าไปบางทีอาจจะตัดสินผิดแล้วฟังเสียงก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ฟังเสียงได้อาจจะถูกบ้างอาจจะผิดบ้างหรือว่าฟังไม่ได้ข้อความเต็มตามที่ท่านแสดงเป็นต้นนี้แสดงว่าเป็นความเสื่อมของสิ่งเหล่านั้นเมื่อมองในแง่ของความเสื่อมก็ทรงสอนไว้หลายแนวบางแนวนั้นมองในรูปคล้ายๆกับเราอยู่ที่บ้านซึ่งเรือนจะซึ่งไฟกำลังไหม้ บ, บา้บานนั้นต้องไหม้แน่นอน แล้วทำยังไงก่อนที่บ้านจะไหม้จะหยิบช่วยเอาของที่มีสาระประโยชน์ออกมาจากเรือนให้ได้ชีวิตร่างกายของเราหรือพวกประสาทพวกอายตะนาภายในทั้งหมดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแกต้องเสื่อมแกต้องแตกสลายแกต้องทำลายไปโอกาสที่จะทำลายนั้นไม่มีใครรู้บ้านไฟไหม้อย่างพอรู้เลยทั้งไปแต่ว่าการแตกทำลายของสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้เลยว่าก็จะแตกทำลายเมื่อไหร่ ดัน้นนอกจากขั้นระมัดระวังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นก็ทรงสอนในรูปของการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ที่มาถึงข้าวในขณะนั้นๆอย่างที่รับสั่งในลักษณะกระตุ้นเป่งเราทุกขั้นตอนของการปฏิบัติที่ว่าเมื่อกุศลในเจตนาบังเกิดขึ้นภายในจิตใจในขณะใดให้รีบเป่งกระทาตามนั้นในขณะนั้นให้ได้คือมันเกิดขึ้นที่ใจบางทีก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปเป็นอันมากให้พึงสังเกตว่า อกุศลแลเจตนาที่จะพูดที่จะทําออกมาทางกายแล้วเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ไม่ได้ทําไม่ได้พูดไปดบรรดับเสียก่อนเพราะเหตุผลหลายๆประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเจอพวกอ ก, กุศลไปสกัดไว้แก่ก็ต่อไปไม่ได้เช่นว่าเจตนาเกิดขึ้นต้องการจะสละบริจาคช่วยเหลือในกิจการที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นได้มีการเชิญชวนชักชวนจากบุคคลทั้งหลาย แต่ถ้าไม่รีบตัดสินใจกระทาในขณะนั้นความสจีิก็จะข้าวครอบงาใจในสุดก็จะทําไม่ได้ดังนั้นจึงส่งสอนให้บุคคลรีบเร่งใช้โอกาสที่มาถึงเข้าในแต่ละขณะให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นี้ต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบส่อต่อไป